สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูและพบกับพ่อหมูแห่งความเชื่อที่เรียกว่าแพตทีอาร์ชนะครับแพทีแปลว่าฟาเดอร์แปลว่าพ่อครับอาร์ชแปลว่าหัวหน้านะครับหมายความว่าหัวหน้าแห่งความเชื่อนะครับพระธรรมคีรุบบที่สิบเอ็ดข้อที่แปดผมจะจนถึงข้อที่สิบสอง โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเพราะอัรปะ ม, มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นบารดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็น์เป็นคนต่างด้าวดังอิสอักและยาโคบซึ่งเป็นทายาด้วยกัน ตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซาร่ามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งคันเมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สับสื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกลือกจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น ก็ได้ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลเพียงครับในเช้าวันนี้เรามาดูพ่อหมู่ของเรานะครับคือบรรพชนแห่งความเชื่อบิดาแห่งความเชื่อที่เราเรียกว่าอับราฮัมนะครับโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมออกเดินทางไปอับราฮัมก็เดินทางไปนะครับโดย พระสัญญาของพระเจ้าว่าจะไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นบรด ก, พ, กพึ่งพีกล่าวชัดเจนนะครับว่าอับราฮัมนั้นเชื่อฟังดังนั้นครับคำว่าเชื่อฟังนั้นมีความสําคัญมากในการติดตามพระเจ้าและพึพ่งพียังขยายความต่อไปครับว่าและได้เดินทางออกไปโดยหามรู้ไม่ว่าจะไปทางไหนถ้าเป็นเราเราจะไปไหมครับ เวลาที่เราเรียนวิชาวางแผนหรือเรียนการบริหารเรามักจะบอกว่าเราจะไม่ทําอะไรจนกว่าแผนนะครับจะนําไปถึงเป้าหมายนําไปถึงวัตถุประสงค์แต่การทรงนําของพระเจ้าอาจจะไม่เป็นดังนั้นก็ได้โดยเพราะอย่างยิ่งในบทเรียนแห่งความเชื่อเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกเดินทางไปอับราฮัมรู้แน่ครับว่านี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าและอับราฮัมก็ได้เดินทางออกไปด้วยความเชื่อ โดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหากถามพี่น้องวันนี้ว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราออกไปรับใช้พระเจ้าโดยพระเจ้าไม่ให้หลักประกันอะไรเลยนะครับเราจะออกไปหรือไม่อัปประธรมนั้นเป็นพยานแห่งความเชื่อครับที่ถูกเสนอโดยผู้เขียนพระธรรมฮีบรูและผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นกำลังนำเสนอว่าอัปประธรมนั้นได้ทาสิ่งที่ท่านได้กระทาและต้องกระทาเพราะ และท่านได้กระทําด้วยความภาคภูมิใจด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของท่านนะการกระทําของท่านทําให้ท่านกลายเป็นพ่อหมู่แห่งความเชื่อครับพ่อหมู่แห่งความเชื่อหรือบรรพชนแห่งความเชื่อเพราะท่านมีความเชื่อในคําตรัสหรือพระดํารัสของพระเจ้าใจความสําคัญประเด็นที่สําคัญตรงนี้นะครับที่สุดก็คือคําว่าโดยความเชื่ออับราฮัมได้เชื่อฟังน้องเห็นไหมครับ ความเชื่อนั้นแสดงออกด้วยการเชื่อฝังโดยความเชื่อใส่ชื่อของท่านครับโดยความเชื่อผมนายศึกษาได้เชื่อฝังสิ่งที่ทำให้กลายเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็คือท่านได้ออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพียงแต่ท่านแค่เชื่อคำตรัสและการทรงนําของพระเจ้าและวางชีวิตไว้ นะครับอยู่ในการทรงนำของพระองค์พูดง่ายๆก็คือวางใจพระเจ้านั่นเองข้อก้าครับพระอังพีบอกว่าโดยความเชื่อท่านได้พำนักในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นเหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิน่นนะครับเหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิน่นเป็นดินแดนที่เป็นของคนต่างด้าวและนอนในเต็นท์ครั บ, นอ น, น, นะรบนอนในเต็นท์นะครับนอนในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวและส่งผ่าน ความเชื่อนี้สู่อิสอักและยาโคบซึ่งเป็นหลานของท่านพี่น้องครับเมื่อใครคนใดคนหนึ่ง <c oughs> ย้ายไปยังอีกส่วนหนึ่งของโลกไปเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่สภาพอากาศใหม่วัฒนธรรมใหม่ค่านิยมใหม่โล ก, กระทัดใหม่คนใหม่ใหม่ภาษาใหม่ใหม่สำเนียงใหม่ๆมมันก็ยากนะครับที่จะอยู่ต่อต้องมีการคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับ ยังไงก็ตามครับโดยความเชื่ออับราฮัมอยู่ต่อครับท่านเชื่อคําตรัสของพระเจ้าคําว่าเต็นนะครับในที่นี้ก็คือเป็นที่อาศัยแบบคนรอนแรมหรือเป็นที่ที่พักชั่วคราวเป็นเพียงที่พักชั่วคราวและน่าสนใจนะครับถ้าเราติดตามชีวิตของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเรารู้ครับว่าอับราฮัมนั้นไม่ได้เห็นหน้ายาโคบครับเพราะว่าอับราฮัมเสียชีวิตก่อนที่ยาโคบจะเกิด เพราะฉะนั้นยาโคบไม่เคยมีชีวิตร่วมกับอับราฮัมเลยแต่ท่านทีตอนนี้ได้บอกว่าเหมือนอยู่ในดินแดนแปกถิ่นคืออาศัยอยู่ในเต้นกับอิสอักและยาโคบนะแกไม่ได้อยู่เต้นเดียวกันหรอกครับโดยความเป็นจริงแต่แกอยู่เต้นเดียวกันกับหลานของแกหลานของท่านนะครับเพราะไรครับเพราะเหตุที่อยู่ในล่มแห่งความเชื่อด้วยกันครับและแสดงออกด้วยกันเชื่อฟังเป็นต้นครับยาโคบนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นหลานอยู่ในบ้านเอลของอับราฮัม นะก็คืออยู่ในความเชื่อเดียวกันอยู่ใต้ร่มแห่งความเชื่อและร่มแห่งความเชื่อนะครับ ค, <pelled mathematician> คือร่มแห่งพระคุณนะครับสแสดงออกด้วยการเชื่อฟังและพระเจ้าจะนําชีวิตของคนที่เชื่อและเชื่อฟังไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาคือดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไวไใ้ให้กับอาบราฮัมพี่น้องครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเรามีความเชื่อและเราสำแดงความเชื่อออกด้วยการเชื่อฟังเพี่งครับ เราจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับและแผ่นดินแห่งพันธัญญาสําหรับเราแล้วนะครับก็คนละแผ่นดินกับอับราฮัมแต่ดีกว่าครับเพราะว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือแผ่นดินสวรรค์ซึ่งมีไว้สําหรับพวกเราในข้อที่สิบครับพระปีบอกว่าพ่อหมู่หรือบรรดชนแห่งความเชื่อเหล่านี้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนเร่ร่อนในเต็นและเขามีสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขารอคอยรอคอยอยู่เพื่อที่จะ เมืองได้เมืองที่มีรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นในช่างและทรงเป็นผู้สร้างขึ้นเพียงครับตรงนี้ชัดเจนนะครับถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเนื่องครับเรากำลังคอยนะครับอยู่ในโลกนี้เพื่อจะได้เมืองที่อยู่บนสวรรค์นะครับซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้พระเยซูจัดในวิษณพยนต์บทที่สิบสี่นะครับบอกว่าบนในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก และพระเยซูก็บอกว่าพระองค์กลับไปเพื่อที่จะเตรียมนะครับที่ไว้สําหรับเราทั้งหลายและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกรับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นสําหรับอับราฮัมพ่อหมู่แห่งความเชื่อนั้นไม่เพียงแต่ปรารถนาสถานที่ถาวอที่พวกเขาจะลงหลักปักฐานได้เท่านั้นแต่ยังรอคอยสถานที่ที่พระเจ้าของพวกเขาทรงสถิตยอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นไปเพราะความเชื่อครับเป็นมาจากความเชื่อและเป็นไปเพราะความเชื่อ และพวกเขาเชื่อคำสัตย์ของพระเจ้าและรอคอยพระสัญญาของพระองค์ในก้อที่11นะครับขยายความถึงครอบครัวของอับราฮัมก็คือนางซาร่านะครับนางซาร่าเองนั้นได้รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชราภาพแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตซ์ซื่อฮาเลลูยานะครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สัตซ์ซื่อครับโรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอเมื่อพระองค์ สัญญากับนางซาร่าว่าวันหนึ่งนางจะให้กําเนิดบุตรชายและตั้งทันนะครับให้กําเนิดบุตรชายแก่อับราฮัมนางแม้ว่าจะถึงวัยหมดประจําเดือนแล้วมันเป็นไม่ ไ, มได้ครับทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์นะครับที่ผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วจะมีลูกนะครับกระนั้นเองครับความเชื่อของนางซาร่าก็ทําให้เธอได้รับพลังตั้งทันนะพี่น้องสังเกตดูนะครับผู้หญิงแห่งความเชื่อนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมัน และเขามีประสบการณ์ในฤทธิเดชฤทธานุภาพนะครับพลังฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าทําให้เขาตั้งครันนะครับจนกระทั่งถึงนางมารีครับนางมารีก็เหมือนกันครับแม้ว่านางมารีจะไม่เป็นหมันแต่ด้วยฤทธานุภาพของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้นางมารีนั้นมีประสบการณ์ในฤทธิเดชฤทธิอานาจของพระเจ้าคือการตั้งครันและคลอดบุตรนะครับและบุตรนั้นมีชื่อว่าเยซูพี่น้องครับ นางซาร่ารู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถและนางก็ถือว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระสัญญากับนางเชื่อถือได้ไว้ใจได้ใจความสําคัญของคํานี้แปลว่าสัตซ์ซื่อนะครับสัตซ์ซื่อพระเจ้าของเรานังสัตซ์ซื่อก็เป็นผู้ที่ควรค่าแก่การไว้วางใจในข้อสิบสองครับเหตุฉะนั้นคนเป็นอันมากดุดดวงดาวในท้องฟ้าดุดเม็ดทรายในทะเลที่ซึ่งนับไปได้จะบังเกิดแต่ชายคนเดียว แต่ชายคนนั้นก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความหมายของคำ ว, ว่าเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็คือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปแล้วนะครับด้านคีว่าวิทยาน้าวิทยาศาสตร์อัประทามและนางซาราหมดสมรรถภาพทางเพศและเป็นหมันแล้วนะครับก่อนที่อิชักถือกําเนิดเกิดเกิดขึ้นมากระนั้นนะครับพวกเขาก็เชื่อคาสัตย์ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นคนเป็นนั้นมากนะดุดดวงดาวในท้องฟ้าดุดเม็ดสีในทะเลก็บังเกิดแก่ชายผู้นี้ นะครับบังเกิดแก่ชายผู้นี้และมันเกิดขึ้นได้เพราะพวกเขาเชื่อในคำสัตย์ของพระเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าจช่วยเรานะครับในการที่เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในคำสัตย์ของพระเจ้าขาพระเจ้าจอวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านอาเมน